ไลน์นี้ก็อยู่ตั้งแต่วันจันทร์กับวนอาทิตย์เลยอยู่คนเดียวสงบดีหมสงบดีเลยก็ใช่อะไรแบบปัญญาพยายามสร้างความสงบให้มากๆเราถึงจะเป็นาของปัญญามนความสงบแล้วก็จะมีความสุขกับการแกลงปัญญา าบางครั้งถ้าเราผิดพุูพโทไปเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเราเห็นแบบบางอย่างสุชาที่เราไม่เคยเห็นอย่างบางทีขึ้นไปนว่าอันนี้คือน้ําเหลืองคืออะไรที่อยู่ในร่างกายเราเราเราต้องมาอยู่ที่พุูโธต่อหรือเราจะไปดูตรงนั้นต่อด้วยคะเพื่อเหตุที่ว่าเร า, เราต้องการจะทาเพื่ออะไรถ้าตอนนั้นเราทําสมาธิอยู่ต้องการความสงบก็คนจะอยู่กับกูโธไป เพราะบางครั้งมันก็จะมีเสียงเข้ามาว่า อ, าอ น, นี่น้ำเหลืองอะไรแบบช่างมั น, นช่างมันไ ม, <ร>ไม่ใช่เวลาแล้วกักบถ้าเราต้องการสมาธิเรากลับมาพุโทโธ ท, ทันทีแล้วค่ะเราต้องการความสงบนี่เราต้องการให้จิตที่นี่อารมณ์เดียวคไม่ให้มีความคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งแล้วมันจะไม่สงบแล้วอย่างบางทีเราอ่าปฏิบัติแล้วมันมีเรื่องกะตบใจเรามันก็เหมือนมีอารมณโร์โกรธหรืกังวลขึ้นมา มันก็จะมีสิ่งหนึ่งมาพูดบอกว่าสัต์จะกร<น>วรรดพอสัต์จะกรวรรดมันก็เหมือนจะมีตัวหนึ่งถอดออกมาจากตรงไอ้ที่มันกาลังหัดอัดอด อ, ดอยู่มาดูม า, มาดูตรวนั้นที่เห็นจิตเรากําลังดีบดิ้นอยู่ปุ๊บมันก็พูดว่าอนัตตามันทุกอย่างก็พรึกหายไปเลยออ แ, <น>แล้วออกมาพอเสร็จตรงนั้นออกมาเราก็มาใช้ตัญญาอบรมอีกทีนึงว่า ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะอบรมจิตเราไปเรื่อยอ่คือให้จิตปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมานไม่สบายใจความทุกข์ใจเกิดจากจิตไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆใช่ค่ะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่สิ่งต่างๆเขาไม่ได้เป็นไปตามใจเราเสมอไปเวลาดที่ไม่เป็นเวลานั้นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ก็เอาอันนี้มาใช้ในตอนที่ว่ามีกระทบจนป่าเราจะอะจนป่าเราจะตุ๊บตัดตุ๊บได้ทันทีอันนั้นถึงได้ว่าใช่ดาวเช่แ้ายังมีเมื่อไหร่ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงจนกว่าเราไม่ไปยุ่งกับใคร <c oughs> เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราจนป่าเราจะ อ, อ, อัตโนมัตินะเจ้าค่ะแต่ว่ารู้เฉยๆรับรู้เหตุการณ์ต่างๆไปแต่ใจไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้แล้วก็ปล่อยวาง<ต>ถ้าจะต้องมีการตอบรับหรือตอบโต้ก็รับด้วยเหตุด้วยผลแต่ว่าไม่ไปยึดไม่ไปมีอารมณ์วมเหมือนดูหนังที่เขาบอกข้าจารย์พูด้ช่ไหมใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าบางทีมันก็ดูหนังเป็นหนังเป็นอินเทอร์แอคทีฟก็ต้องมีการตอบเขาทักทายมาแล้วก็ต้องคุยกับเขาไป จะไม่ไม่ไม่ไม่มีอารมณ์ไม่มีหยุดไม่มีอุปทานอะไรเลย่ไปวิพากษ์วิจารณ์อก็กิริยาอาการของเขาเขาพูดไม่ดีหรพูดดีหรอะไรก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของต่อบที่เขาช่างหัวเขาแล้วก็มีหน้าที่เป็นแกตอบตอบรับตอบโต้ไปตามเหตุตามผลแต่ไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาค คือเขาจะดีจะว่ายกับเราก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรกับใครตรงนั้นคือถ้าเรามีความสงบเป็นพื้นฐานของใจแล้วเราจะไม่หิวกับใครไม่หิวกับสิ่ ง, งต่างๆไม่หิวกั บ, าบะลากรสจรเสริแสงยัยงไงก็ได้ เพราะใจมันไม่เปลี่ยนกลับไปกับสิ่งต่างๆแล้วเมื่อก่อนใจเราไปอาศัยสิ่งต่างๆเป็นเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับใจแต่ตอนนี้ใจมีความสงบเป็นเป็นที่หล่อเลี้ยงจิตใจก็ไม่จำเป็นจะต้องมืออะไรได้ก็เหมือนกับไม่ได้เสียก็เหมือนกับไม่ได้เสียเหมือนคนกินข้าวอิ่มแล้ว ใครจะเอากับก้องกับข้ามาให้ก็ก็ไม่สำคัญให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้ก็รับไว้วไม่ให้เสียมารยาทในธรรทํานนั้นมันเป็นอิสระทางจิตใจนะเจ้าค่ะอ่าไม่ต้องพึ่งพาอะไรต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะสร้างมันขึ้นมาภา้ในใจเรา ทำแร ก, ก็ใช้สติสร้างขึ้นมาสตินี่จะเป็นตัวที่จะทําให้ใจรวมเป็นหนึ่งเวลาใจรวมเป็นหนึ่งแล้วใจก็จะสงบหยุดความคิดปรุงแต่งแล้วก็จะเกิดอุเบกขาเกิดความอิ่มใจสุขใจพอใจแล้วขั้นต่อไปเราก็พยายามรักษาความสุขใจอิ่มใจนี้ ก็รักษาได้สองวิธีเือรักษาด้วยสติเหมือนกับที่เราสร้างความสงบขึ้นมาด้วยสติแต่มันเป็นการรักษาได้ชั่วคราวเวลาใดที่ไม่มีสติหรือสติปล่อยให้ใจไปคิดไปในทางความอยากความความสงบความสุขนั้นก็จะหายไปถ้าอยากจะป้องกัน ไม่ให้อาให้ไปถ้าเราใช้สติมันก็เราก็ดึงความสงบกลับมาได้แต่ต้องคอยดึงอยู่เรื่อยๆเพร<ม>าะเดียวพอเราไม่ดึงมันก็ดึงเอกไปถ้าเราอยากจะทานายตัวที่ดึงออกไปเนี่เราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะตัวที่ดึงออกไปนั้นมันมันดึงออกไปด้วยความหลงดังนันหลงไปคิดว่า สิ่งที่มันดึงให้เราไปหามาเนี้จะให้ความสุขกับเราเราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาได้อะไรมาใหม่ๆก็ดีใจมีความสุขแล้วพอได้มาแล้วก็มีความทุกข์ตามมา เพราะเราต้องดูแลรักษาสิ่งที่เรารักเราชอบสิ่งที่เราได้มาเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไปไม่อยากให้จากไปแต่ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆสิ่งที่เราได้มาแล้วเขาก็เปลี่ยนไปเก่าลงไปเสื่อมสภาพลงไป นี้วเป็นคนก็แก่ลงไปเพรนจิตใจเขาก็เปลี่ยนไปตอนที่รู้จักกันใหม่ใหม่เขาก็ดีแสนดีพอรู้จักกันได้อยู่ด้วยกันแล้วก็เขาก็เปลี่ยนไปจากการที่เคยเอาใจกันก็กลับเอาใจเอาใจเขาไม่ได้เอาใจเราแล้ ว, ลวมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้น สิ่งที่เรามักจะไม่พิจรารณากันเวลาจิตถูกความหลงความอยากหลอกให้ไปให้ไปหาไปเอาสิ่งต่างๆว่าถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามใจของเราได้เราก็จะหยุดความอยากได้เพราะโดยสารุปก็คือว่าจะเห็นว่า เรากำลังไปเอาทุกมาใส่หัวใจเราอยู่คนเดียวดีอยู่แล้วแต่หลอกว่ามีแฟนจะดีกว่ามีอะไรจะดีกว่าไม่มีอมพอเอามาแล้วก็เลยต้องมาทุกกับสิ่งที่เรามีเมื่อก่อนเราไม่มีเราก็ไม่ต้องทุกข์แต่เมอว่าจะที่มันที่มันอยากจะมีก็เพราะว่ามันไม่มีความสุข ในตัวของมันเองมันก็เลยต้องไปหาความสุขข้างนอกแต่ถ้าเรามีความสุขภายในเราก็ไม่ต้องไปเอาก็ได้เราก็จะตัดความอยากได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขภายใน<ม>เกิดความอยากขึ้นม า, าเราให้รู้ว่ามันเป็นทุกข์ก็อยากก็ต้องเอาดีๆนอกตัวเองนะเพราะว่ามันดีมัน มันอย่างน้อยมันก็สูบตอนต้นแล้วก็ค่อยไปว่ากันใหม่ถ้าก็เก็แก้ใหม่ก็เปลี่ยนใหม่ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่อ้าคนนี้ไม่ดีก็อย่ากันแล้วก็หาคนใหม่มาก็เลยต้องมีการหาของใหม่ๆ ม, มาทดแทนของเก่าอยู่เงนี้เลยนี่การหามานี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทรัพยากร ถ้าไม่มีทรัพยากรไม่มีเงินไม่มีทองก็จะไม่ได้ก็จะทุกข์อีกแต่ถ้าเรากลับมาทำใจของเราให้สงบได้เราก็ไม่ต้องไปเล่นหาอะไรเงินก็ความสุขที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ความสงบที่เราสามารถที่จะผลิตขึ้นมาได้ด้วยสติ แล้วเมื่อมีความสงบแล้วก็ใช้ปัญญาคอยทําลายความอยากที่จะมาคอยลากให้เราออกจากความสงบไปหาความวุ่นวายเนี่ยามาอยู่คนเดียวเนี่ยมันสงบเดี๋ยวมันก็ลากให้เรากลับไปกลับไปก็ไปติดหลายเรือ่องลอยอยูก็กลับไปวุ<ๆ>่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้หลายเรื่องอแต่มันต้องไปเพราะว่ามันยังเัาไม่มีปัญญามันก็มองเห็นว่าเป็นพาล่าไปหมา ถ้ามีปัญญามันก็ไม่เห็นว่ เ, นวเป็นภ<พ>าร <พา S 2> ะอ่าเหมือนเห็นว่า<ม><ม>เป็นทุกข<ะ>์าคำว่าพาระก็คือความทุกข์แลใช่มันกลับไปหาความทุกข์ทำไมก็ครานี้ยังเพิ่มได้สองวันแล้วก็มแม่คุณแม่หมสองเจ็ดวันไปทั้งเจ็ดวันนั่นหลังจากที่เราได้สมาธิออกจากสมาธิมาก็พยายามพิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นตายรักให้หมด ลดเสียงกิ่นลดลาบยศจันละเสริญอะไรต่างๆบุคคลต่างๆไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริงเป็นสุขปลอมเป็นสุขที่เหมือนกับน้ําตาลเคลือบยาขมเป็นความสุขเคลือบความทุกข์เอาไว้บางๆกลับไปพอได้ไปเที่ยวนี่ก็ตื่นเต้นดีใจแล้วพอกลับมามันก็หายไปหมเหมือนที่พระอาจารย์บอก ปักต้นไม้แล้วออ ก, ก็ถอนออกแล้วก็ปังแล้วก็ถอนคือพยายามอยู่คนเดียวอยู่กับความสงบดีกว่าเวลามีความอยากมาดึงไปก็ใช้ปัญญาอทําลายมันให้ได้ถ้าทําลายมันได้ก็อยู่อยู่คนเดียวต่อไปได้เมืมม่อเมือมีคิดอยากมากว่าวันนี้จะออก คืออดอาหารมาตั้แบบบงแต่วันอังคารมันธรรมดาวันนี้ต้องกลับแล้วทุกทีที่มาคือห้าวันทีนี้มันต่อนเนื่องไปถึงวันพฤหัอดมาแล้วสามวันมันสุดท้ายก็สามวันวันเนี้ยจะต้องออกมาทานในบ้านไม่มีอาหารี่ะจะออกมาทานข้าวสู้ตั้งนานสู้จนแบบอนอนมันตื่นสายเก้าโมงไม่มีเวลาตื่นไม่ออกอแล้วอดอดแบบยังน้อยเพิ่มสถิติเพิ่มอีกสักวันมันก็ยังดีออ ก็ไดต้องพยายามฝืนฝืนอูแค่เรื่องนี้สู้กันแบบแต่ต้องรู้ว่าการอดอาหารนี่เป็นเครื่องมือให้เราได้ภาวนาตัวมันเองนี่ไม่มีประโยชน์อะไรคนคนที่อดข้าวในออฟริกาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเข้าสมาธิให้มันพยายามณนการอดนี่มันจะบังคับให้เราต้องหาที่ฝืงข้างใน เมื่อเราเพิ่งอาหารไม่ได้เราก็ต้องเพึ่มทำม<ช>เป็นอาหารแทนไอ้ น, นี้เข้าใจแลว้วเพาว่าเฟิล์มแบบเมื่อวานนี้มันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าการปฏิบัติธมันต้องสืนเมื่อเขาให้อย่างนี้เราก็จะสื่นอนี้นั่นแหละค่ะจะต้องอธิบายคนที่ไม่เคยอดอาหารฟังว่าทําไมต้องอดอาหารด้วย <หป S 2> เดี๋ยวก็ไม่เข้าใจ่การอดอาหารนี่มันจะทําให้เราต้องอ่ใช้การภาวนามาเป็นอาหารแทน ก็ ว, ว่าเวลาอดอาหารเนี่ยมันมีความผิวสอง ส, องสว่วนหิวทางร่างกายกับหิวทางใจความหิวทางร่างกายนี้มันไม่รุนแรงแล้วก็ไม่ทําให้ร่างกายตายเพราะว่าร่างกายมีอาหารสะสมไว้มีสเสบียงสะสมอยู่ได้หลายวันแต่ที่มันทรมานใจคือความผิวทางใจ ใจจะคิดแต่เรื่องหาอาหารมารับประทานเราก็ต้องใช้การภาวนาใช้สติมาหยุดความคิดนั้นให้ได้ถ้าหยุดความคิดนั้นได้แล้วมันก็จะสงบแล้วความผิวของใจก็จะหายไปความผิวของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหา เพราะมันเป็นความหิวเล็กๆน้อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับความหิวทางใจนี่ะมันเป็นอุบายที่ทำให้เราต้องภาวนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ภาวนาเดี๋ยวเราทนไม่ไหวก็ต้องไปกินอะไรอย่างพวกคนที่ถือศีลแปกตัเนี้ก็จะอดข้าวเย็นกันเขาก็ต้องภาวนา คนที่ถือศีลแปดนี้เขาก็ต้องมีพิธีไหว้พระสวดมนต์เพื่อที่จะได้ทำให้จใจสงบใจสงบแล้วก็จะไม่หิว <c oughs> แล้วก็เป็นการลดละความอยากในลูกเสียงกินลดของอาหารไปเพราะว่าเวลาเรารับประทานอาหารนี่เราไม่รับประทานอาหารด้วยเหตุด้วยผลเพียงอย่างเดียว เรารับประทานอาหารด้วยความอยากด้วยถ้าเราสามารถที่จะลดความความอยากในอาหารได้เนี่ยมันก็จะทำใหเ้เรื่องของการบริโภคนี้มันไม่มีปัญหาเพราะเราบางทีบริภโภคด้วยความอยากายาก็ทำให้บริโภคมากจนเกินไปจน มีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาเป็นโรคต่างๆโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรโรคน้ําหนักเกินอันนี้ก็เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามีไว้สาหรับแก้ความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคของใจ เวลามีความอยากแล้วมันจะให้ทำให้เราไม่สบายใจความไม่สบายใจความกังวลใจความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆนี้ออกมาจากความอยากที่เรามาปฏิบัติกันนี้ก็เพื่อที่จะมาทำลายความอยากอย่านี้เพนั้นก็ต้องอาศัยอุบายวิธีต่างๆเพราะถ้าเราอยู่อย่างธรรมดาธรรมดานี้มันไม่มันไม่พอ กำลังที่จะมาต่อสู้กับมันไม่พอต้องมีมาตรการเสริมมาตรการเสริมของทางปฏิบัติทางเรกก็จะมองว่ามันโหดไปมันถ้าเรีย น, นสุดต่งไปบางคนไม่กินข้าวเย็นนี่ก็หาว่าสุดต่งนะ uh huh. บางคนก็กินมื้อเดียวก็ว่าสุดตง่งบางคนอดข้าวก็หาว่าสุดตง่ง ที่มาตรการของแต่ละคนนี่มันก็มีมีหนักมีเบาต่างกันไปตามขั้นตามระดับระดับจิตของแต่ละคนถ้าจิตระดับจิตสูงขึ้นเนี่ยมาตรการมันก็จะโหดขึ้นเพราะว่ามันมีกําลังมากขึ้นที่จะใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้ได้สาหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติเนี่ยเพียงแต่หัวข้าวเวย็นนี่ก็ถือว่าโหดละ แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วชํานาญกับการถือศีล8อดข้าวเย็นแล้วที่การมารับประทานมื้อเดียวก็จะรู้สึกว่าง่ายกว่าถ้าไม่เคยอดข้าวเย็นมาเลยเนี่ยจะมากินมื้อเดียวนี้ก็รู้สึกว่าโหดมากขึ้นอพอกินมื้อเดียวได้แล้วก็จะก้าวไปสู่การอดทีละ3วัน5วันยาก อันนี้ก็เราต้องมีมาตรการคอยควบคุมความอยากแล้วก็มาตรการเสริมเสริมเสริมเครื่องมือเสริมอาวุธที่จะมาท่าทำลายความอยากก็คือการภาวนาถ้าเราไม่มีมาตรการคอยต้อนจิตให้เข้าสู่การภาวนามันจะไม่ยอมเข้าที่เราถือศีลแปดนี่ก็ต้อนให้มันเข้ามาสู่การภาวนา มันชอบออกไปทางตาหูจมูกนิ้วกายเช่นสิงข้อสามมันก็อยากจะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ก็ดึงมันออกมามันอยากจะไปกินเลี้ยงกันแบบไม่มีวันสิ้นสุดกินกันทั้งวันทั้งคืนก็เอามากินแค่มื้อสองมื้อก็พอมันชอบไปตามแหล่งบันเทิงสถานบันเทิงต่างๆก็ดึงมันออกมาให้ไปหา สิ่งต่างๆทางด้านบันเทิทางตาหูจะบกเลิงกายหนึ่งมาอยู่วัดไทยได้หนึ่งมาอยู่คําว่าวัดนี้ความจริงเราต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงคําว่าวัดก็คือที่สงบที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆสมัยพุทธเจ้าบำเพ็ญวัดของท่านก็คือตามป่าตามเขาเอันนั้นแหละวัด ที่ไม่มี <Okay. S 1> รูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะที่จะมาคอยเดืองใจให้ออกจากการบําเพ็ญนี่คือคำว่าความหมายของคํำวนันถ้าอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ในห้องไม่มีอะไรไม่มีแสงสีเสียงอะไรแค่ไม่นนก็ถือว่าเป็นวัดได้ <Okay. S 1> มีความเงียบ mm. มีความวิเวกความสงบสงบทางกาย ไม่มีเสียงมารบกวนใจไม่มีสีไม่มีรูปไม่มีอะไรต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจอันนั้นก็ถือว่าเป็นวัดได้เพราะถ้าเราคําว่าวัดสมัยนี้วัดที่เราคิดว่าเป็นวัดมันความจริงมันไม่ได้เป็นวัดตามนิยามของพระพุทธเจ้าใช่ไหมวัดที่มีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลามีกุฏิกัเป็นวัดที่พุกพล่านด้วยคนทั้งพระทั้งเนรทั้งคารวะยากอยู่ เพราะมีกิจกรรมต่างๆที่ไม่ใช่เป็นกิจกรรมเพื่อทำให้จิตใจสงบมีมหามีทั้งบางทีก็มีทั้งงานมหาลัศพงานศพบางทีเจ้าภาพก็เอาภา พ, พยนตร์มาใช้ใน่วัดมีอะไรต่างๆอาหารการกินก็เต็มไปหมดการพนันก็มีบางทีเล่นเนาะ มันต้องมีพิธีเท้าศพกันเท้าศพมันนั่งเฉยๆมันก็ม่วงก็เล่นไพ่กันก็เป็นเป็นช่องโหว่ของของกฎหมายคือกฎหมายก็เกรงใจะนะงานศพคนเส้าศอกเสียใจแจะมจาจับเรื่องการเล่นการพนันมันก็โหดไปคนก็เลยใช้ใช้งานศพเป็นที่เล่นการพนันไป แทนที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้ากับใช้วัดเป็นแหล่งแหล่งหลีกเลี่ยงคําสอนพระเจ้าบอกให้ละเว้นการเล่นการพนันเพราะเป็นอบายามุกิะนําไปสู่การทําบาปนําไปสู่การไปเกิดในอบายก็ดันไปใช้วัดนี่แหละเป็นที่ดื่มสุราเล่นการพนันกัน ดัคำว่าวัดจริงๆนั้นต้องเป็นวัดที่เงียบที่ห่างกันห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห่างไกลจากพวกมหรศพบันเทิงเรื่องราวต่างๆอยู่คนเดียวนี่คือวัดสำหรับนิยามของคาว่าวัดคือเป็นที่ ป, ปฏิบัติธรรมแต่วัดสมัยนี้มันเป็นสมสมสรแต่ละ ไม่ได้เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่มารวมกันสังสรรค์กันอย่างตอนนี้วัดวัดต่างวัดไทยที่ไปสร้างในต่างประเทศนี้ยกลายเป็นสุขการของคนไทยต่างที่ไปอยู่ต่างประเทศกันเ ข, เ, ออเขาก็อยากจะทำบุญด้วยแล้วก็เป็นที่ที่คนไทยไปพบปะสังสรรค์ไปเจอกันพราอยู่ต่างแดนก็ก็ไม่รู้จะไปพบกับใคร คนที่ท้องไม่ได้เป็นเชื้อชาติเดียวกันเขาก็ไม่ค่อยจะมาสนใจกัน mm. เขาก็เอ า, เอาวัดไปที่ตั้งญ mm. าติโยมชาอบมันนิมนต์พระป่าไป mm. ไ ป, ไปพระป่าก็ไม่อยากจะไปตั้งวัดแบบนั้นกัน mm. พระป่ามันก็ไปตั้งตั้งวัดป่า mm. พระป่ามันก็นํา อ, ออกไปนอกเมือง ญาโยมก็ไปไปไปลำบากก็ไม่ค่อยชอบวัดปากั่นใหญ่วัดต่างประเทศนีจะเป็นวัดแบบวัดไทยเอาเองเป็นเหมือนกับที่รวมตัวของคนไทยในเอเองมีงานทุกชนิดงานปีใหม่งานสงการงานเข้าพรรษางานออกพรรษาจะเป็นสูนดม ว, วัฒนธรรมไทย ชีวิตแบบไทยๆวันนี้พาลูกมากราบอาจารย์อยากเรียนกราบอาจารย์ด้วยจะเรียนทางไหนวิศวะทางไหนคอมพิวเตอร์ไซส์คอมพิวเตอร์ไซสคอมพิวเตอร์ไซส์มันก็มีอังคฤษอั น, อนยาวยาวไกลทางหน้านี้ก็ต้องใช้คอมใช้ AI ต่อไปเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมันก็จะฉลาดขึ้นต่อไปมนุษย์เราก็จะโง่ลงเพรจะให้เครื่องจักรเครื่องกลต่างๆทำ ง, งานทางแทนเราก็ดี <c oughs> แต่ว่าโง่ก็โง่กง็ได้อยู่ที่คนแต่ไม่โง่ก็ต้องรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้แต่คนที่ทเกี่ยวก็อาศัย เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะต่างทำให้หมดตัวเองก็ต่อไปก็ทำอะไรไม่ได้ในสมัยนี้เขาไม่คิดเลขในใจอนี้นเวลาจะคำนวนเขาต้องใด้กดกดเครื่องคูนบอกว่าคูณหารสมัยก่อนนี้เรามีวิชาไม่แกใจต้องคิดในใจตอนนี้กระสับ ท่องสูตรคูณกันสมัยที่เราเรียนเอนจิเนียร์เรีนวิศวะตอนนั้นยังไม่มีเครื่องคอมมีแต่มันเครื่องคอมใหญ่มันเป็นแบบของของหาอะไรเครื่องเล็กๆที่เรามาใช้แบบพีซียังไม่มี <c oughs> เครื่องเวลาจะใช้คำนวณเราต้องใช้สไลด์รูเป <c oughs> มีไม้เหมเราสามารถที่จะใช้ช่วยคำนวณได้ แล้วก็มีเครื่องคิดเลขนี่เครื่องคิดเลขแต่เครื่องคิดเลขแบบไม่ใช่ไม่ใช่แบบไอ้ดิจิตอลเนี่นนแบบเป็นเครื่องกลดังเสียงดังคังค ๆ, ๆงงคเนี่นนยก็เลยอะไรก็ก่อนหน้านี้ก็ส่งไปปฏิบัติธรรมโปรแกรมของท่านโกวนท้าเจ็า อ, อยู่ใกล้บ้านนะครับเอไปคกละสิบวันไปที่ไหนเออแถวแถวมินบุรีครับ อ, อย่างนี้ก็มาตั้งศูนย์ในเมืองไหมะครับนีครับ อยู่สิบวันไม่ให้คุยกันครือกิจกรรมนั่งสมาธิกันก็เลยอนาตนาสตรีก็กดีก็ได้เป็นการศึกษาเบื้องต้นวิธีควบคุมจิตใจจิตใ จ, จของเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์ถ้าเราไม่รู้จักขับมันมันก็ชนได้เกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเรารู้จักขับมันมันก็ จะปลอดภัยตอนนี้จิตของวเราถ้าไม่ได้รับการเปิดฝนอบรมนี้มันมักจะไปชนกันเลยชนกับคนนั่นชนกับคนนี้ตกเหวบ้างแหกโค้งบ้างหวาดเสียวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้ารู้จักการควบคุมใจให้มันวิ่งไปในถนนได้ไปในกรอบของธรรมได้มันก็จะปลอดภัย การที่เรามาปฏิบัตินี่ก็มาหัดควบคุมใจเหมือนกับหัดควบคุมรถยนต์เ้างรู้จักเบรกต้องรู้จักเล้เวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้เรามักจะปล่อยให้มันไปอัตโนมัติแลเวลามันไปเกิดเหตุเราก็ยับยังไม่ทันหยุดไม่ได้ตัวที่ดันใจให้เราไป เรื่องวุ่นวายต่างๆก็คือความอยากต่างๆนะเรา เ, เรื่องความอยากมันก็มีส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ไม่ดีก็มีงั้นเราต้องพยายามตัดความอยากที่ไม่ดีออกไปแล้วก็เสริมความอยากที่ดีที่อยากจะเรียนหนังสืออยากจะมีวิชาความรู้อยากจะมีงานมีการทํา มีอาชีพมีไรายได้อันนี้ก็เป็นความอยากที่ดีที่เราควรจะส่งเสริมส่วนความอยากเล่นอยากเที่ยวอยากถลเอยถลาย ไ, ไปทำอะไรที่ไร้สาระไม่เกิดประโยชน์นี่เราก็ต้องพยายามยับยังไว้ทีในมหาวิทยาลัยก็มีมันก็มีสังคมบางทีเขาก็ชวนเราไป สาวอาทิตย์ก็มักจะจัดต่อตี้กันเราก็ต้องรู้ว่ามันควรไปหรือไม่ควรไปไปก็เสียเวลาอยู่ถ้าเราไม่ไปก็จะได้มีเวลาทำการบ้านดูหนังเสือถ้าไปบางทีก็ก็มีการเด็กชรามีการเล่นอะไรต่างๆกันแล้วก็เวลาคนเด็กชราก็มักจะทำอะไรเลยถือกันได้ จะเกิดปัญหาถึงอเต้องรู้จักยับยังความอยากที่ไม่ดีความอยากที่เราอยากเล่นตอนนี้มันเป็นมันไม่มันไม่เป็นประโยชน์กับเราความอยากเรียนความอยากไปทําการบ้านอยากจะดูหนังสือเนี่ยดีปว่าสาวอาทิตย์เข้าห้องสมุดได้ดีกานที่จะไปไหนมาไหน ไปเที่ยวไปเล่นสมาัยที่เราเรียนมันโชคดีมันความความความยากจนหรือว่ามันมันช่วยก็ไม่มีเงินเที่ยวสองมันต้องไปทำงานสาววอาทิตย์นี่มันต้องไปทำงานแล้วก็เวลาอยู่บ้านบางทีก็มัน กลับบ้านก็มีเพื่อนร่วมที่อยู่แชร์บ้านอยู่กันนะบางทีก็หนวกหูมันก็นกสบงบส่วนใย็นเราต้องจะเข้าห้องสมุด mm hmm. เวลาเรียนแล้วช่วงระหวลาระหว่างเวลาที่ว่างก็เข้าห้องสมุดไปทําการบ้านไปดูหนังสือในห้องสมุดกลับไปอยู่ไปไปทําที่บ้านมั น, ม, นมันไม่สงบเข้าห้องสมุดได้เป็นประจำ สบายห้องสมุดเงียบอานหนังสือตามการบ้านได้ <c oughs> อย่าไปกังลกันเรื่องสังคมนะสังคมมันไม่ได้ช่วยอะไรเรามากเรื่องเรื่องการมันก็เป็นการสนุกชั่วคราวทาไปแล้วมาระวังก็เกรดมันจะตกนะเราต้อง รู้ว่าหน้าที่หลักของเราคือหน้าที่หลักของเราก็คือการเรียนพยายามเรียนให้มันอย่างน้อยแม่มันตกถ้าเรียนได้ดีกว่านั้นก็ดีพอเวลาไปสมัครงานเวลาหา ง, งานนี่เขาดูเกรดเราดูสถาบันที่เราเรียนถ้าจบการศึกษาเนี้ยเขาไปแยกตัวเราเลย ถ้าไปจบโรงเรียนที่ไม่มีชื่อเสียงนี่ก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปชีวิตของเราต้องมีเครื่องมือไว้สำหรับทำมาหากินเครื่องมือก็คือวิชาความรู้ที่เราต้องเรียนกันเพราะว่าถ้าไม่มีวิชาความรู้ก็จะไม่สามารถไปทํางานที่สบายแล้วก็ เงินเรียนดีเป็นไปทํางานใช้แรงงานทํางานก่อสร้างพวกที่ทํางานก่อสร้างวเขาไม่ได้มีการศึกษาสูงถ้าเป็นหัวหน้าเขาอาจจะมีการการศึกษาสูงจบปวชปวสหรือจบปริญญ า, า, าตรีเป็นวิศวกรแต่ถ้าไม่มีความรู้ก็ต้องเป็นช่างเป็นอะไรไป การมีโอกาสที่ได้ริ่มเรียนถึงถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาเป็นบุญนะไม่ควรที่จะปล่อยให้มันหลุดมือไปเพราะมีคนที่เขาอยากจะเรียนแต่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนก็มีอยู่เยอะเรานี่มีโอกาสเรียนถ้าเราไม่อยากเรียนก็ช่วยไม่ได้พ่อแม่กระดัมเราไม่ได้ผักเราไม่ได้ พาอแม่ก็มีแต่คอยสนับสนุนเราแ้ก็คอให้เราอดทนไว้ไม่กี่ปีขทาั้นเองถีปีก็จบรั้มหาลายัยในญาติส่วนเรื่องจิตใจก็กวรจะศึกษาเรื่องธรรมะเพราะธรรมะนี่จะเป็นความรู้ที่จะคอยรักษาจิตใจของเรา ไม่ให้เสื่อมไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจเสื่อมก็คือการกระทาของเราการกระทาที่ทำให้จิตใจเราเสื่อมตกต่ำก็คือเน่อบายมุกเช่นการดื่มสุราการเล่นการพนันการเที่ยวเตะความเกลียดข้างการคบคน คนโง่คนไม่ฉลาดคนไม่ดีเป็นเพื่อ น, นคบคนที่ชอบเล่นการพนันดื่มโชราเที่ยวเตงเกียด์ค้าเนี่ยเป็นคนที่เราไม่ควรที่จะไปคบค้าสมาคมด้วยวเขาจะดึงให้เราไปทําในสิ่งที่เขาทํำกันแล้วเราครบกับคนเด่มโชราเขาก็จะชวนเราไปเดิมโชรา ชอบกับคนที่เล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนันชอบกับคนคบกับคนเที่ยวก็จะชวนเราเที่ยวชอบกับคนขี้เกียจก็จะชวนเราขี้เกียจให้เรานีเที่ยนีเรียนกันนี้เรียนไปเที่ยวกันถ้าเราไปคบกับคนดีคบกับคนที่ชอบเรียนเขาก็จะชวนเราเรียนชอบพวกคนที่ชอบทํางานทําประโยชน์ เขาก็จะชวนเราไปทางานทาประโยชน์คบกับคนที่ขยันเขาก็จะชวนให้เราขยันแต่เราต้องรู้จักคบคนพระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคลกระสุดสองข้อแรกเลยที่สำคัญคือการไม่คบคนไม่ดีกับการคบคนดีหรือการการไม่คบคนโง่กับการคบคนฉลาดเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่ง คบคนโง่เขาก็จะมีแต่ทาให้เราโง่ตามเขาไปคบกับคนฉลาดเขาก็จะทำให้เราฉลาดตามเขาไปอย่างที่เราพวกเราตอนนี้มาคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน<ม>ก็จะทำให้เราฉลาดถ้าเราไปคบกับพวกที่ชอบเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืนเที่ยวเตะเล่นการพนันเศษรษฐายามามีความเกลียดค้าน เขาก็จะชวนเราไปให้เราเป็นอย่างเขาเราก็ต้องรู้ว่าความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของจิตใจของเรานี้อยู่ที่การกระทาของเราเองการเสบใยามุกกับการทําบาปนี้จะทำให้เราจิตใจเราตกต่ำทำให้ชีวิตของเราวุ่นวายถ้าเราทําบาปเช่นค่าทัพ ทักชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดปะเวณีโกหกหลอกลวงนี่มันไม่ได้ทําให้จิตใจเราเดีมันจะทําให้จิตใจเราไม่สบายใจหุ่นวายใจเวลาเราโกหกใครนี่เราจะไม่สบายใจเวลาเรารักทรัพย์ของใครนี่เราจะไม่สบายใจต้องรู้เหตุของความทุกข์และของความเสื่อม รู้เหตุของความสุขและความเจริญส่วนของการเจริญก็คือไม่ไปทำสิ่งที่ทำให้เราเสื่อม น, นั่นเองจะต้องหล็กเลี่ยงอบายามุกหล็กเลี่ยงการทำบาปแล้วก็ทำความดีต่างๆคือทำประโยชน์ให้กับตนและผู้อื่นาการกระทำบรรดาที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษกับเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทัากับเราและกับผู้อื่นก็ดีนี้ เขาเรียกว่าเป็นการทําความดีทาแล้วจะทําให้จิตใจเราจเจริญก้าวหน้ามีความสุข <c oughs> เป็นการไปเรียนหนังสือนี้ก็เป็นการกระทาที่เป็นประโยชน์ตอนนี้เป็นประโยชน์กับเราก่อนเพราะเราจะได้วิชาความรู้แล้วเมื่อเรามีวิชาความรู้เราก็จะเอาวิชาความรู้นี้ไปทามาหาเกินมีรายได้ แล้วพอเรามีรายได้มากเกินสว่าที่เราจะใช้เราก็เอาไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าทุกคนทำความดีสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนทำความไม่ดีกันสังคมก็จะเดือดร้อนวุ่นวายกันที่เรามีขโมยโจรผู้ร้ายนีก็เพราะเนี่ยทอไม่สนใจในการทำความดี มีโอกาสเรียนหนังสือก็ไม่เรียนหนีโรงเรียนไปเที่ยวไปเต่พอโตขึ้นต้องทำมาหากินก็ไม่มีวิชาความรู้ทำมาหากินเงินเดือนก็ต่ำน้อยไม่พอใช้ก็ต้องไปรักขโมยนี่เป็นเรื่องของการกระทำของเราทั้งนั้นแหะเยันขอให้เราล การกระทําที่ไม่ดีแล้วพยายามทําความดีตามฐานะของเราตอนนี้ฐานะของเราคือการเรียนก็ขอให้เรียนแล้วถ้าเราทําประโยชน์อันในอันในได้อยู่ก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำอะไรได้ก็ช่วยไปช่วยใครได้พอมีเวลาที่จะช่วยได้ก็ช่วยไปการช่วยเหลือผู้อื่นนี้ก็เป็นการสร้างมิตรภาพสร้างเครดิต ต่อไปเวลาเราต้องการความช่วยเหลือก็จะมีผู้อื่นเขาจะมาช่วยเหลือเราชีวิตก็จะมีความสุขไม่มีเรื่องวุ่นวายใจเดือดร้อนจากตามมาถ้าอยากจะมีความสุขมากกว่า น, นั้นก็ต้องปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งความสุขที่ <c oughs> เนืว่าความสุขทั้งหลายแต่เป็นความสุขที่จะต้องไปหาอยู่คนเดียวไม่อยู่กับใครไม่ยุ่งกับใครอย่างพพุทธเจ้าท่านก็ทําประโยชน์สมัยที่ท่านอยู่ในวงังท่านก็ทําหน้าที่ของท่านพอท่านออกจากวังไปท่านก็ไปทําหน้าที่อีกแบบหนึ่งอีกระดับหนึ่ง พอท่านได้พบกับความสุขที่เลิศประเสริฐแล้วท่านก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนถ่ายทอดให้แก่ผู้อนต่อไปท่านก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวตรงไหนช่วงระยะที่ท่านต้องไปศึกษาไปปฏิบัติก็เป็นเหมือนกับการไปร่าเรียนหนังสือพอท่านเรียนจบแล้วท่านก็เอาวิชาความรู้ที่ท่านได้เรียนรู้นี้มาสั่งสอนผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สี่สิบห้าปีด้วยกันสอนสอนธรรมะสี่สิบห้าปีหลังจากที่ตัดสรลแล้วตัดสรลอายุสามสิบห้าแล้วก็หลังจากนั้นก็สอนวันหนึ่งก็สอนสามสี่รอบตอนบ่ายก็สอนญาติโยมตอนค่ำก็สอน <c oughs> ภิกษุสา ม, มเณรตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้า ก่อนจะออกบินทบาทก็เลงยามดูว่าควรจะไปสั่งสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นใครที่พร้อมที่จะรับคำสอนก็จะมุ่งไปในคนนั้นไปสอนเขาพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์เป็นศาสดาจารย์อยู่ถึงสี่สิบห้าปีด้วยกันเงินเดือนที่พระพุทธเจ้าได้รับก็เพียงเดือนละสามสิบบาท วันละบาทคือบินละบาทบาทหนึ่งใบ <c oughs> แต่ท่านก็ไม่เรียกร้องอะไรเพราะว่าเงินเดือนต่อจะให้ท่านไปกี่ร้อยล้านพันล้านก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มความสุขเทียบกับความสุขที่ท่านได้รับจากการเรียนจบได้เป็นพระพุทธเจ้า การเรียนจบเป็นพระพุทเจ้านี้จะได้รับความสุขระดับบรลมสุขบะละมังสุขขังคือจิตใจของพระพุทธเจ้าจะเต็มเปี่ยมด้วยความสุขตลอดเวลาไม่หิวกับลาบยศสารเสริญไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่อให้ไดมามากน้อยเพียงไรก็สู้กับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติไม่ได้ นี่ก็เป็นสิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปจะไม่เข้าใจและจะไม่สามารถเข้าถึงได้คนที่จะเข้าถึงความสุขระดับนี้ได้นั้นต้องเป็นคนที่เคยบาเพ็ญมาแล้วในชาติก่อนถ้าคนได้เคยบาเพ็ญมาแล้วจะจะรู้รสชาติของความสงบว่าเหนือกว่ารสชาติทั้งปวงเล อย่างที่ท่านพูดไว้ว่าลถแห่งธรรมชนะรดทั้งปวงการให้ธรรมะชนะชนะการให้ทั้งปวงให้อะไรก็ไม่ดีเท่ากับให้ธรรมะเพราะอะไรเพราะผู้ที่มีธรรมะก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงให้ธรรมะตลอดเวลาสี่สิบห้าปีไม่ได้คิดไปหาเงินหาทองแบบบิลเกตแล้วก็มาตั้งเป็นมูลนิธิ เพื่อที่จะเอาเงินที่หามาได้นี้มาทาประโยชน์อะไรต่างๆประโยชน์ที่ทํานี้ความสุขที่ทํานี้ให้แก่ผู้อื่นนี้สู้กับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติทาไม่ได้เองแต่ว่าคนส่วนใหญ่นี้จะไม่มีอินทรีย์ไม่มีความสามารถพอที่จะเอื้อมไปถึงความสุขในระดับนี้ได้มีน้อยมาก อันนับจำนวนดูแล้วนะ้อยพระอรหรันต์พระอริยเจ้ามีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์โลกที่มีอยู่ในโลกนี้จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซนต์ได้หรือเปล่าดังนั้นก็จะสนใจแต่ความสุขจากการได้ลาบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสจันครบ เรามาที่นี่ก็มาหาธรรมกันก็แสดงว่าเรามาีมีโอกาสหรือมีศักยภาพเพราะคนที่ไม่มีศักยภาพจะไม่คิดจะมาตอนนี้เขาก็จะคิดแต่ไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของกันแล้วเจ้าของรู้สิตก็ามาไม่ไม่ไ ม, มา <c oughs> เขามีศักยภาพในการหาความสุขระดับโลก แต่เขาไม่มีศักยภาพในการหาความสุกระดับธรรมดังนั้นคนที่ได้มาสัมผัสจับธรรมนี้มีโอกาสที่จะสร้างความสุขระดับธรรมได้ถึงแม้ว่าในอดีตจะไม่เคยมีมาก่อนขอให้มีศรัทธาความเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมนี้จะทำให้เราได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขของมหาเศรษฐี เราขอให้เรามีความเพียรพยายามที่จะสร้างความสุขอันนี้ให้เกิดขึ้นก็คือการเจริญสติการปีกเว้การถือศีลนักบวชเลยอันนี้เป็นเป็นเป็นเหตุที่จะทําให้เราได้ความสุขระดับธรรมที่เหนือกว่าความสุขระดับโลกผู้ที่ต้องการความสุขอย่างนี้ต้อง ต้องเอาจริงเอาจังต้องทุ่มเทไม่ใช่เป็นมือสมัครเล่นเอาแต่เฉพาะวันไหนเวลาว่างวันไหนอารมณ์ดีอยากจะทำก็ทำถ้าอย่างนี้ไม่ไม่พอต้องแบบมืออาชีพต้องทำแบบมืออาชีพนักกีฬามืออาชีพกับ น, นักมือนักกีฬามสมัครเล่นนี่ฝีมือใครจะเหนือกว่ากนนันมีโอกาสแต่จะต้องทุ่มเท ถึงแม้ว่าชาติก่อนอดีตชาติยังไม่เคยได้สัมขัสกับความสุขอันนี้มาแต่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะเชื่อว่ามีความสุขแบบนี้อยู่ในโลกนี้อยู่ในตัวเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ในโลกนี้แต่เราต้องทุ่มเทชีวิตของเราให้กับการสร้างความสุ ข, ขอันนี้ขึ้นมาวิธีที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดก็คือการบวชเพราะเราจะได้เป็นมืออาชีพ ถ้าเราไม่บวชนี่เรายังต้องไปทำมาหากินต้องมีอาชีพยอย่างอื่นต้องทำมันก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างความสุขอันนี้ได้ได้ก็เล็กๆน้อยพอหอมปากหอมคอเหมือนกับได้ดูหนังตัวอย่างเท่านั้นเองแต่ที่จะได้ดูหนังจริงทั้งเรื่องนี้เป็นไปนไม่ได้ถ้าอยากจะดูหนังจริงทั้งเรื่องนี้ต้องเป็นนักบวชหรืออยู่แบบนักบวชถ้าไม่ได้บวช อย่างสภาพสติมีบวชไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบนักบวชคนไปเปิดดูหนังสือวินัยของภิกษุณีสา1ร้อยสามสิบอดข้อ ว, ว่าต้องทำอย่างไรบ้างลองปฏิบัติอยู่ในกรอกของข้อห้ามสา0้อยสาสิกรอข้อนั้นได้หรือเปล่าส่วนใหญ่มันก็เป็นข้อจุกจิกเนี่ยระเบียบการทำตัวให้ดูเรียบร้อยสวยงามไม่เป็นที่ตาหนิติเตีย น, นเค่นั้น สิ่งข้อใหญ่ๆก็อยู่ในแค่สิงแต่นี่แหละมันไม่ได้ไปมากมายไปกว่านั้นนอกเหนือจากนั้นมันก็เป็ น, ปนกฎระเบียบที่จะคอยคอยควบคุมความประพฤติให้ดูแล้วน่าชื่นชมไม่ไม่ไม่น่าตำหนิตีเตียนอย่างนี้นดีก่ะแค่นั้นเองอันนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบาราณอ่คือมันมีเพราะว่ามีคนไปทำผิดมีคนทาผิดก็ไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็เรียกมา ตอบถามมาทําอย่างนี้จริงหรือเปล่าถ้าทํานี้จริงไม่ควรทํานะต่อไปนี้อย่าทําแล้วก็ตั้งกฎนี้ไปว่าต่อไปนี้ทุกคนที่มาบวชเป็นพระที่สื่อนี้ห้ามทําเอการกระทําแบบนี้เพราะชาวบ้านตําหนิติเตียนอย่างสมัยนี้เห็นไหมญาติโยมเห็นพระทําอะไรที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตั้งกฎใหม่กันหรือมีก็ไม่มีใครมาควบคุมบังคับกันการควบคุม บงังคับพระของเราเนี่มันมันมันอะไรมันอ่อนแอมากมีกฎมีระเบียบที่ดีแต่ไม่มีใครมาควบคุมกันพระเลยในสายตาของชาวบ้านเริ่มเริ่มเสื่อมลงไปความศรัทธาความเคารพในพระนี้เสื่อมลงไปเพราะว่าการตะเ้ินของพระไม่อยู่ในกรอบของ ทำมวีในตามข้อห้ามต่างๆแต่นี่พูดถึงสภาพสตีที่อยากจะอยู่แบบนักบวชอยู่ได้เป็นภิกษุณีได้แต่เป็นภิกษุณีในใจทั้งนั้นเองพวกที่ต้องการเป็นภิกษุณีทางกายนี่เป็นพวกที่หลงติด ก, กับกิเลสความอยากให้สังคมยอมรับตนเองว่าเป็นภิกษุณีเท่านั้นเองความจรการเป็นภิกษุณีมันไม่ได้อยู่ที่การให้สังคมยอมรับหรือไม่ยอมรับ สมัยพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไปบังคับให้ใครมายอมรับว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเขายอมรับท่านเพราะว่าเขาหลังจากที่ได้เห็นการประพฤติของท่านเห็นการคําสอนของท่านมันประทับใจเขาเขาก็เขารับขึ้นมาเท่านั้นเองมันไม่ได้อยู่ที่การโกนศีสระการที่ห่มผ้าเหลืองหรือห่มผ้าสีอะไรตา่างๆมันอยู่ที่ทําในใจกับ ศีลที่มีอยู่ในกายวาจาว่ามีหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีจะแต่งเครื่องแบบมาไหนก็มีคนคารวนับถือไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปถึงระดับประชาชาติเรียกร้องสิทธิทมนุษยชนบ้าบอคอแตกกลายเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องมาตำหนิกล่าวหาพุทธศ า, ศาสนาว่ากลายเป็นาศาสนาที่ลังเกียรจเดียดฉันผู้หญิงที่กลายเป็นเรื่องนั้นไป พ ว, พวกพวกพระฝรั่งที่ไปตั้งวัดที่ต่างประเทศเขาปวดหัวเขาเรื่องนี้เพราพวกผู้หญิงฝรั่งที่มันจะขอเป็นพระกันทุกคนแล้วพอพระไม่นายบอกเป็นไม่ได้มันก็มันก็เลยไม่พอใจก็เลยเนี่ยเขาไม่เข้าใจความหมายทำไมสุภาพสติถึงต้องเป็นอย่างนั้น ก็ตอนที่เกิดเกิดการขออนุญาตเป็นภิกษุณีองค์แรกเนี่ยผู้ที่ขอก็เป็นมารดาลูกของพระเจ้าทแท้ๆเพราะพระเจ้ายัางปฏิเสธนยูอย่าบวชเลยบวชแล้วมันยุ่งเรื่องมากสําหรับผู้หญิงมันลําบากมันไม่ปลอดภัยเพราะการบวชนี่มันต้องไปอยู่ที่เ ง, เงเียบเงียบวิเวกอยู่คนเดียวมันต้องเสี่ยงภัยภัยภั ย, ภ, ยภัยจากสิงสารา์ไม่เท่าไรหรอก แต่ภัยจากคนบ้ากรรมเนี่ยมันน้อยแรงเ็นผู้หญิงไปลองอยู่ไปอยู่คนเดียวในป่าดูนี่เดี๋ยวโดนข่มขืนไม่ใช่อะไรหรอกท่านเลยไม่อยากจะบวชให้พะสองถ้าบวชแล้วก็ต้องมาเป็นภาระกับพระเพราะอยู่ผู้หญิงอยู่กันตามลำพังเดี๋ยวก็โดน แล้วพออยู่ใกล้พระเดียวก็พ้าที่ใจไม่แข็งเดียวก็ไปมีอะไรกับภิกษุณีกันอีกท่านเคยเห็นว่ามันการมีภิกษุณีสงนี่มันเป็นการทำให้มีโอกาสที่จะมาทำลายภิกษุสงฆ์ให้มันเสื่อมลงแ่ในที่สุดก็ทรงอนุญาตเพราะว่าพาาระอนนนก็มาทักถามว่า การที่จะบวชเป็นทุกสินี้เป็นการที่จะไปเป็นพระนิพพานไปการบวชผู้หญิงบวชไม่ได้เหรอนายเจ้าก็บวกบวชได้ปฏิบัติได้ไปถึงนิพพานได้มาทำมันไม่บวชให้เขานะ่ะเขาเป็นแม่เลี้ยงของท่านแท้ๆเขารู้เจ้าก็เลย <c oughs> ต้องต้องเลยต้องบวชให้แต่เพราะท่านก็ทรงตั้งเงื่อนไขไว้แปดประการด้วยกัน คือผู้ที่จะบวชเป็นภิกษุณีนั้นต้องยารับเงื่อนไข8ข้อนี้เราจำไม่ได้หมดหลายข้อแหละข้อหนึ่งก็คือภิกษุณีไม่ว่าจะบวชมากี่ปีก็ตามจะต้องเคารพพระภิกษุที่เพิ่งมาบวชเพียงวันเดียวเนี่ยคือจะให้ภิกษุนี้เป็นอาวุโสเป็นผู้คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยสั่งสอนคอยดูแลคอยอบรมคอยช่วยเหลือคอยปกป้องข้อที่หนึ่ง แลภิกษุณีนี่ต้องอยู่อยู่อยู่ต้องรับการสั่งสอนจากาพระภิกษุห้ามว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนพระภิกษุให้นอกน้องเล ย, เยมีหลายข้อแต่จำไม่ได้แล้วไม่ทราบว่าแปดข้อหรืกี่ข้อไม่ทราบพอพระทรงตังต้งเงื่อนไขให้แก่พระมารดาเลี้ยงท่านก็ยอมรับทุกข้อ ก็เลยได้บวชเป็นภิกษุณีองค์แรกของพระพุทธศาสนาแล้วก็มีข้อว่าภิกษุณีคือพระภิกษุณีนี้ต้องต้องมีการสืบเนื่องกันมาคือถ้าขาดภิกษุณีสงไปเมื่อไหร่ก็จบเหมือนขับภิกษุสงฆ์นี่ก็เหมือนกันถ้าต่อไปเกิดมีพระต่ํากว่าห้าองค์ขึ้นไปเนี่ยบวชพระไม่ได้แล้ว<ม>การจะบวชพระได้นี่มีอย่างน้อยถ้าอยู่ใน ในในในถิ่นที่มีพระมากก็ต้องสิบรูปมาเป็นสักขีพยานมาอนุญาต บ, บวชถ้าอยู่ที่กันดารห่างไกลที่มีพระน้อยนี้ก็อนุโลมให้อย่างน้อยต้องมีห้ารูปถึงจะบวชพระได้ถ้าเกิดไม่มีห้ารูปเกิดต่อไปไม่มีใครศรัทธามาบวชมาบวชกันแล้วเหลือพระสองสามรูปนี้พอพระสองสามรูปนี้ตายไปก็จบ ไม่มีใครที่จะมาบวชพระใหม่ให้ได้เพราะไม่มีอุป च ัยาี่พิชชนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีพิชชนีอยู่ครบห้ารูปต่อไปก็มันก็จะบวชไม่ได้แล้วนอกจากการบวชของพิษชนี้ต้องบวชสองสองสองฝ่ายบวชทางฝ่ายของพิชชนี้แล้วต้องมาบวชกับพระอีกทีหนึงด้วยพเจ้าทรงทําให้มันยากและผู้ที่จะมาบวชนี้จะต้อง ถือศีลแปดอยู่หนึ่งปีมัม้งแล้วศีลแปดนี้ต้องไม่ขาดภายในหนึ่งปีนะถ้าขาดข้อดดข้อหนึ่งเริ่มต้นนับใหม่โหนมพระพุทธเจ้าเกิดจากเอาแบบการสอบเอ็นท้างเข้าเอ็อทีอย่างนี้เลยเน ะ, <c oughs> น ะ, ะต้องเรียกเอาคนที่มบบเด็ดเด็ดจริงๆอ่ะถึงจะเข้าได้ถ้าคนแบบจะมา มาบวชกันเล่นๆสนุกสนานเห็นคนอื่นก็บวชก็บวชตามนี่ไม่มีทางอ่ะสมัยนี้การบวชของเราถ้าในแบบมองทั่วไปไม่มีการคัดเลือกนะแต่ก็มีมีมีฝ่ายฝ่ายสายภาพป่านนะยังมีการคัดเลือกอว่ายบ้านนี่ใครยังมาบวชแล้วมาสมัครได้เลยแฟนบสมัครเสร็จ ก็นัดวับวชก็บวชได้เลยมีข้อข้อเงื่อนไขนิดหน่อยต้องได้รับการอนุญาตจากพอ่อจากแม่สมัยนี้สมัยใหม่นี้เขาก็ให้ไปตรวจเงื่อดดูว่ามีเชื้อโรคที่จ ะ, ะติดกันได้หรือเปล่าต้องไปตรวจเอชกันแล้วก็ต้องไปตรวจประวัติอัชฉรยกรรมเรามีประวัติอัชญรกรรมอยู่หรือเปล่าบางคนสมัยนี้ม า, มาจากไหนมาบวชก็ไม่รู้ ทางวัดก็เกรงใจจะปฏิเสธก็ไม่ได้สมัยก่อนเขาบวชก็มักจะมักกันบวชกันในหมู่บ้านใช่ไหมไปบวชกันในวัดประจำหมู่บ้านรู้จักกันหมดคนที่มาบวชแต่สมัยนี้วัดในบ้านในเมืองนี่คนมาจากทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกเป็นโจรผู้ร้ายหรือเป็นใครทําอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมาบางทีมาบวชแล้วก็มาสร้างความเสื่อมเสียสร้างความเสียหายให้กับก็เลยต้องมีมาตรการเสริม แต่สายวัดป่านนี้เขาไม่สนใจมาจากไหนมาเป็นภาคขาวก่อนอย่งางสมัยที่หลวงปูป่ชาอยู่นี่ภาคชาต่างประเทศนี่ต้องเป็นถือถือศีลแปลดอยู่หนึ่งปีหรือหกเดือนก็ไม่ทราบจต่ไม่ได้แล้วก็ต้องบวชเป็นสา ม, มเณรก่อนยางไงเมื่อบวชเป็นพระเลยก็ไม่ทราบแต่ต้องต้องผ่านขั้นตอนอย่างน้อยหนึหน่งปีก่อนแต่ถ้าไปบวชสมัยก่อนที่วัดบอ ชาวต่างประเทศก็ต้องบวชเป็นเองก่อนไม่ให้บวชเป็นพระก่อนให้ศึกษากขนมทำเลียนประเพณีก่อนอย่ยงที่นี่ก็ให้มาอยู่อย่างน้อยก็หกเดือนก่อนถ้าเป็นชาวต่างประเทศแต่คนไทยเราก็ห้ามไม่ได้เพราะเขาไม่สมัครที่ไหนเขาบวชได้เลยแต่าทางชาวต่างประเทศนี้เขาต้องอต้องให้เรารับรองเรื่องการออกวีซ่าหนังสือรับรองไปทําวีซ่า เราจะตั้งเงื่อนไขได้เพราะว่าเวลาเขาบวชแล้วเวลาเ็าจะต่อวีซ่านี้เขาต้องทางก็ต้องออกหนังสือให้ทำทาหนังสือไปให้กับสำนักพุทธสานักพุทธก็จะทำหนังสือไปให้กับตรวจคนเข้าเมืองให้อนุญาตให้อยู่ได้จะอยู่ได้ต่อได้ครั้งละปีวีซ่าปีนี่คือการบวชมัน ไม่ได้บวชเพื่อที่จะมาให้คนเคารพนับถือคนที่ไม่รู้ชีวิตของนักบวชนี้ิดว่าบวชแล้ว โ, โหยกู้หรือหละเพราะจะเห็นแต่ภาพางามๆเวลาบินธบาตก็คนโอ้โหใส่บาทกันแบบับไ ม, ไม่ไหวไม่ไหวเวลามาที่สาราที่วัดก็คนก็มาทําบุญกันเยอะแยะไปหมดแต่ไม่เห็นชีวิตประจําวันของถ้าเวลาญาติโยมกลับบ้านแล้ว เดีวต้องการช่วยกันกวาดถูสาราเก็บกวาดทำความสะอาดทำอะไรต่างๆเช้ามือก็ต้องลองบสถไหว้พระสวดมนนั่งทำสมาธิบ่ายก็ต้องกวาดลานวัดอะไรต่างๆแล้วก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีอาวุโสพันเตอะไรต่างๆแล้วนี่เขาไม่เห็นก็คิดว่ามาบวชแล้วเจอ จะเป็นเหมือนเป็นอาจารย์เลยคนที่ไม่เคยได้ศึกษาบางคนพอระาบวดแล้วก็บางทีแยกตัวไปตั้งเป็นเจ้าอาวาสไปเลยเป็นเจ้าสำนักไปเลยเพราะทนที่จะอยู่กับพระที่อาวุโสกับตนไม่ได้ถ้าอยู่ในวัดนี้<ม>ต้องไปตามอาวุโสเดินบิณฑบาตก็ต้องเดินตามลำดับพรรษาพรรษาเนี่ยคอะไม่ได้ดว่าภูมิธรรมดูพรรษ า, าดูพรรษาใครบวชก่อนก็อาวุโส การวชนั้นก็เป็นทูเอ่อนคนบวชใหม่นี้จะต้องไปนั่งท้ายแถวแล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาตามเวลาคนที่คนหัวแถวตายไปก็ขยับกันขึ้นมาถ้ายังไม่ตายก็อยู่มันนี้กันไปมีาใครอยากจะถามอะไรเนื่อกี้นี้ก็คุยให้ฟังไปเรื่อยๆเพราะพูดแต่เรื่องปฏิบัติอย่างเดียวบางทีก็อาจจะเบื่อ อันนี้มีอะไรจะถามไหมถามว่ามาถามว่านั่งสมาธิไปมันมันมีภูโธไปด้วยแล้วก็ปุส่วนโงไปด้วยเราต้องมีเอาอันนอัใดอันหนึ่งเหรอคะโคยาวันหนึ่งคเพราะมันคือว่าบางครั้งหนงนั่งไปแล้วมันตอนแรกมันจะมีภูโธพอจิตมันไม่มีภูโธกุ๊มมันก็มีปวตส่วนโมมาแทนเราพูดเราพูดโทต่อไปไม่ได้เหยก็พอพอพอเห็นปุตส่วนโงเสร็จแล้วเราก็กลับมาพูดโทใหม่ พยายามอยู่กับพุโทโธไปพยายามมีฝึกให้มันมีวินยัยทำอะไรให้มันทำแบบจ ด, จดจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวอย่าปล่อยให้มันไหลไปไหลามาเดี๋ยวมันก็ทะเลาไหลไปบางครั้งหนก็สอน้สวนมนไปเลยอาจจะส่วนมนไปอะไก็ส่วนมันไปเลยอย่าไปพุโทโธเลยเอามันอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนอแล้วแล้วบางครั้งหนูพยายามฝึกให้มีแบบว่า ให้รู้ตัวอยู่ณขณะ ak, ปัจจุบันระหว่างวันนะคะบางครั้งอาการมันมันมีขึ้นมาคือแบบว่ามีความรู้สึกแบบแบบใจเราไม่ได้คิดถึงสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าอาการของร่างกายมันเกิดขึ้นมาแบบว่าเหมือนเรากลัวความสูญเสียเลยตัวอย่างมันจะเหมือนแบบเราผลุกเพรามันรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้แต่เรารู้ว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราจะกลัวแบบนี้แบบนี้่ะคะมันเป็นร่างกายของว่าจิตหรือว่ามันเป็นร่างกายของมันเป็นอาการของร่างกายที่มามันเป็นกิเลส เป็นปัญหาความอยากแล้วหนูใช้หนูก็คิดเองว่าอาการเหมือน เ, เหมือนใจเรารู้ว่าอาการแบบนี้มันคือแบบเนี้ยเราก็คิดว่ามันมันมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วเรารู้ว่ามันคืออันนี้นะแล้วหนูก็พยายามบอกว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาการแบบนี้มันต้องหายไปคือเราใช้ปัญญาบอกมันใช่ไหมคะพระอาจารย์คะควรจะใช้พุโทโธถ้าปัญญา ถ้าเราใช้ปัญญาได้ก็ดีแต่ถ้าใช้ไม่ได้ก็ใช้พุทโธง่ายที่สุดใช้พุทโธหยุดมันอย่าไปปล่อยให้มันอปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นเรื่องการปรุงแต่งของจิตทั้งนั้นแหะเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้คิดถึงอะไรมันก็โผล่ขึ้นมาเลยนั่นแหละโผล่มาแสดงว่ามันคิดแล้ว น, นะ <c oughs> แล้วแบบแล้วเราก็รู้ว่า ม, มันมาแล้วอมันเป็นการปรุงแต่งของจิตไงอะไรที่มันโผล่ขึ้นมามันเป็นเรื่องของปรุงแต่งทั้งนั้นแหละ พอเราไม่พุทธสติเราไม่เอเราไม่คุมมันไว้มันก็โผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็พุทธะไปเลยเดี๋ยวมันก็อยู่เองแล้ ว, แ ล, วแล้วเวลาหนูคือสีแปดเนี่ยแต่หนูไม่ทําเหมือนคนอืน่นแบบ ว, ว่าบางเพื่อนจะทําประมาณว่ารัชนาศิลป์ก่อนแต่หนูไม่ทําหนูก็คิดว่าวันนี้หนูจะสีสีหนูก็ถือเลย ได้ไหมคะได้แล้วเวลาเหมือนบางครั้งซูมัหนูถือวันนี้พรุ่งนี้หนูจะไม่ถือแล้วหนูไม่ต้องลาศีได้ใช่ไหมคะคือว่าหนูตั้งใจมาทําแบบนี้แล้วพรุ่งนี้หนูจะกินข้าวแล้วอะไรเงรี้ยค่ะถ้าแน่นมันก็ราอยู่ในตัวของมันนั่นแหละไม่ต้องทําพิธีกรรมเขาจะเพเห็นเพื่อนเขาทําต่หนูไม่ทาเหมือนเขาไม่หรอไม่ต้องทําพิธีกรรมหรอกก็เราก็บอกกับตัวเราว่าวันนี้ไม่ถือศีลแล้วนะเอื่อจบวันนี้ถือศีล น, นะอันนั้นเอง อะที่เราไปขอพระหรือไปทำพิธีที่วันนี้มันเป็นมันเป็นรูปแบบของการการรักษาศีลแต่ตัวที่รักษาจริงๆก็คือตัวจิตใจของเราเนี่ยมันจะรักษาไม่รักษาก็อยู่ที่เจตนาความตั้งใจถ้าเราตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีลมันก็มันก็ มันก็ไม่ต้องไปอาราธน า, าพระมาบอกก่อนว่าวันนี้จะไปเที่ยวนะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไปรักษาสิ่งก็ไปรักษ า, าพระไม่เกี่ยวหอกมันเรื่องของเราเราจะไปบวชก็ไม่ต้องไปคุยอะไรกับใครก็ไปบวชเลยมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เจตนาความตั้งใจของเราซึ่เขาเรียกว่าอธิษฐานเนี่ยความตั้งใจนีนภาษ า, าพระแปลว่าอธิฐานไม่ใช่ขอไม่ได้แปลว่าขอ นเนี่ยวันนี้ตั้งใจจะมาวัดเนี่ยก็เรียกว่าอาทิตย์มีอธิษฐานแล้ะมีความตั้งใจจะมาวัดจะทำอะไรนี้ต้องมีความตั้งใจเป็นจุดเริ่มต้นครับถ้าไม่มีการตั้งใจมันก็ไม่รู้จะทําอะไรตื่นขึ้นมาวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรก็อาจจะไม่รู้จะทําอะไรก็นอนต่อหรือกูคิดก็เก็กทาอะไรไปในบ้านแต่ถ้ามีความตั้งใจว่าวันนี้จะไป ท, ทํานู่นทํานี่พอตื่นขึ้นมามันก็จะไปทำํทำตาม พรเจ้าถึงสอนว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตเร า, เามีจุดหมายปลายทางเราต้องตั้งสร้างจุดหมายปลายทางขึ้นมาไม่งั้นมันก็จะวนลอยไปตามอารมณ์อยากจะทำอะไรก็ทำไม่อยากจะทำก็ไม่ทำมันก็จะไปไม่ถึงไหนอย่างเรียนนักเสือก็ต้องมีความตั้งใจว่าจะต้องเรียนให้จบเรียนให้ได้ถึงเวลาต้องไปโรงเรียนก็ต้องไป ไม่ใชเ่เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้วันไหนอยากจะเรียนก็ไปวันไหนไม่อยากจะเรียนก็ไม่ไปเดี๋ยมันก็สอบตกต้องมีความตั้งใจคําว่าตั้งใจก็คืออธิษฐานาภาษาพระคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจแต่มันมากลายเป็นความขอไปซึ่งไม่ใช่เป็นความหมายเดิมความหมายเดิมนี่คือความตั้งใจ กลายเป็นอธิษฐานขอโน่นขอนี่นกันไปหมดขอให้เรียนจบเนี้ยขอไปจนวันตายก็ไม่จบถ้าไม่ไปเรียนเนี้ยใช่ไขอให้ได้รักษาศีลแปดขอไปเถอะถ้าไม่ถ้าไม่ตั้งใจจะรักษามันก็รักษาไม่ได้มันต้องวันต้องตั้งใจว่าวันนี้จะรักษาศีลแปดตั้งแต่เวลานี้กปจนถึงเวลานั้นนะจะรักษาศีลแปดข้อนี้ให้ได้ยิ่ง <c oughs> ถ้าถ้าจะดีต้องมีการฆาดโทษ ด, ด้วยยิ่งดี ถ้ารักษาไม่ได้ห้ามเที่ยวเจ็ดวันหรือห้ามดูหนังเจ็ดวันต้องมีบทลงโทษเสมอแล้วมันก็จะได้เข็ดเนี่ยแต่แล้วบางครั้งปกติแล้วเขาจะให้ส่วนมนต์ก่อนนั่สมาธิเหรคะหนูว่าชอบนั่งสมาธิก่อนสวดมนต์มันไม่เกี่ยวกันมันมันเป็นอุบายไงบางคนในจิตมันฟุ้งให้นั่งสมาธิมันนั่งไม่ได้ ให้อยู่กับลมอยู่กับพุทโทมันไม่อยู่มันจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็แลความคิดที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดบทสวดมนต์แทนนะแต่ถ้านั่งก่อนได้ก็นั่งได้ไดใช่ไหมได้ถ้านั่งได้ก็ไม่ต้องไปสวดให้มันเสียเวลาสวดยังไงถ้านั่งได้มันแสดงว่าจิตมันสงบแล้วมันสงบอยู่ในมันไม่ฟุ้งแล้วถ้าไม่ฟุ้งแล้วไปสวดมันทําะไรไปไปสวดให้มันทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์อการสวดนี่ก็เพื่อไม่ให้มันฟุ้งให้มันหยุดฟุ้ง เมอันไม่ฟุ่งแล้วมันก็สามารถที่จะดูลมหายใจได้หรือพุทโธได้ก็ทําไปเลยแต่บางครั้งดูลมไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกเหมือนกับเหมือนเมื่อคืนค่ะนั่งไปแล้วมันรู้สึกทําไมมันรู้สึกปิดอัดมากไม่เหมือนทุกครั้งที่นั่งค่ะมันรู้สึกแบบอยากจะออกเหมือหายใจไม่ออกแต่าีพี่เลนมันอยากจะออกไความอยากมันดันออกมามันก็เลยทําให้เราอึดอัดเราก็ต้องใช้มาตรการสวดมนต์ใหม่ก็ได้ถ้ามันอยากจะออก แสดงว่ามันเริ่มจะฟุง้งละมันอยากจะออกมาฟุง้งละตอนนั้นก็ใช้การสวดมนต์ไปก็ได้คือใจเนี่แล้วมันมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งพยายามจะดึงเข้าอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะดันออกส่วนใหญ่ฝ่ายที่ดันออกนี่มันมีกําลังมากฝ่ายที่จะดึงเข้านี่รละดันเข้านี่มีกําลังน้อยสติเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะดันเข้า ตันหาความอยากนี่มันจะดันออกส่วนใหญ่มันจะดันออกง่ายกว่าดันเข้าแต่เาจะดันเข้านี่มันก็เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาเพราะฝ่ายฝ่ายดันออกนี่มันพยายามจะดันออกมันก็เหมือนเหมือนคนชักกระเยอะกันเนี่ยฝ่ายหนึ่งดึงฝ่ายนู้นดึงฝ่ายนี้ดึงเพราะต่างฝ่ายต่างดึงมันก็จะเครียดใช่แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยมันก็จะตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆตอนนั้นตันหามันยังไม่ มันมันมันมันเหนื่อยไหมมันคงไปเที่ยวมาจนพอแล้วมันอึดแล้วมันก็เลยไม่มีความอยากอะไรตอนนั้นเราก็ใช้สติดันเข้าไปง่ายแต่พอดันบ่อยๆก็พอมันอยากจะออกขึ้นมานี่มันก็จะทำให้เกิดอาการเครียดอึดอัดแน่นอกแน่นอะไรมีอาการต่างๆร้อยแปดพันประการที่จะทำให้เราสู้มันไม่ไหวแล้วก็ยอมแพ้มัน แต่ถ้าเราเฝื่สู้กับมันไปยอมตายกับมันไปยอมตายกูจะไม่ให้ไปน้อยู่เนี่ยถ้ามันในที่สุดมันยอมเราเนี่ยมันจะโล่งเลยมันจะสงบเลยเหมือนกับเหมือนกับชักกันเยอะกันพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยพับเนี่ยมันจะความตึงนี่มันจะหายไปเลยบางครั้งมเหมือนเราหนูเคยนั่งนานแล้วแบบว่ามันมันมีอาการแบบนี้ค่ะแต่หนูก็สู้แล้วแบบว่า พยายามดูมันเราเหมือนเป็นคนเหมือนคนซาดิสที่สู้กันกับมันเหมือนมันเหมือนเราเป็นคนซาดิสนะคะที่สู้กับกับกีริยานะคะมันไม่ถ้แต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้มีความทุกข์ในหัวใจนะคะที่ตอนหน้าที่สู้กันมันจะมีความรู้สึกมันยิ้มยิ้มค่ะที่สู้เพื่อได้ เ, เ อ, อก็ดีถ้ายิ้มได้ก็ดี บางคังมันก็ริดอาดแต่บางครั้งเราเหมือนถ้าสู้กันไปถ้าถ้าเขายอมแพ้เราแล้วมันจะหายอุดตันมันจะโล่งมันจะเบาจะสบายเนี่ยเราต้องมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่เวลาสู้เขาเราอย่าสู้แบบเอะ่ยะถ้าสู้เยอะแบบเยอะแยะนี่มันจะยอมแพ้ง่ายๆแต่ถ้าบ่กยอมตายก็มันสู้กับมันถ้ายังหายใจอยู่ต้องสู้กับมันไปให้มันขาดใจตายไปอย่างเงี้ยถ้าสู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันแพ้เราเอง ดน้นพยายามสร้างสติให้มากขึ้นสติเรานี่สามารถให้มีพลังมากขึ้นได้ถ้าเรามีสติอย่างต่อเนื่องเรามาสร้างสติตอนที่นั่งก็สู้ก็ไม่ไหวเรามารวมพลตอนที่เกิดสงครามแล้วมันไม่ถ่านการก่อนจะออกเสด็จนี่เราต้องไปรวมพลมาก่อนอพักพวกมาก่อนแล้วค่อยออกเสด็จอันนี้ไปออกสด็จคนเดียวแล้วไปเรียกพวกพ้องมาไม่มีใครมาหรอก แล่เราต้องพยายามรวมพลก่อนการรวมพลก็คือฝึกสติตั้งแต่ตื่นมาเลยตื่นมานี่เราเริ่มตั้งสติไว้ก่อนแล้วพยายามควบคุมใจไม่ให้มันไปลอยไปลอยมาให้มันอยู่ในปัจจุบันให้มันอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธอยู่กับร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ให้มันไปอยู่กับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไปงั้นก็แสดงว่าถูกมันลากไปแล้ว ถ้าเราสามารถดึงใจไว้ได้ก่อนที่เรามานั่งสมาธิแล้วนั่งสมาธิมันก็สงบได้ง่ายอย่างสิ่งที่พวกเราถ่ายกันทุกคนเนี่ยที่ไม่ได้ผลก็สื่อเรื่องการเจริญสติเพราะมันไม่ใช่เป็นนิสัยของพวกเรานิสัยของพวกเราชอบใจลอยกันไม่ยอมอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันชอบคิดถึงอดีตชอบคิดถึงอนาคต เราคิดเพิ่มเื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่อยู่ในปัจจุบันไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ถ้าอยู่กับเรื่องปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้มันไม่ลอยมันจะตั้งแล้วเวลานั่งสมาธิมันก็จะเข้าสู่ควาสมสงบได้ง่ายคบางครั้งหนูเคยมีอาการแบบว่าทางร่างกายไงคะแบบว่าเหมือนเรากลัวเหมือนกันค่ะมันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ที่เราคิดเราคิดก็บแบบว่า เราไม่กลัวตายค่ะเราปล่อยว่าตายก็ตายมันก็หายไปยมันจะโล่งว่ามันก็จะสบายขึ้นเออเพราะว่าเราไม่คิดว่าเรากลัวมัน่ะเออเราต้องยอมตายเพราะความตายนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เราไปกลัวเพราะเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายงั้นเราต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้มันต้องตายแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย แล้วก็ทําให้เรายอมตายได้พอเรายอมตายได้ปั๊บมันความกลัวก็จะหายไปบางครั้งเรามีอาการแบบป่วยเนะค่ะไม่สบายเนี่ยเราก็ดูอาการว่ามันมันเจ็บมากมันป่วยมากแต่ถ้าเราคิดว่าเราไม่กลัวตายมันก็จะไม่ไม่ไม่ไม่เจ็บไม่ไม่ไม่มีอาการแบบนี้ขึ้นมามันไม่มันไม่มีความทุกข์ใจไงในที่ทําให้มันเจ็บมากก็คือความทุกข์ใจครับ แต่ถ้าเรายอมตายแล้วความทุกข์ใจนั่นก็ไม่มียอมเจ็บแล้วความความทุกข์ใจก็จะไม่มีเจ็บก็เจ็บไปตายก็ตายไปแล้วความทุกข์ใจจะไม่มีความทุกข์ใจนี่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายร้อยเท่าเลยเหมือนกับว่าหมอจะฉีดยานี่หมอยังไม่ทันฉีเลยใจมันทุกไปก่อนแล้วพอถูกฉีดจริงๆมันเจ็บที่ไหนแค่เข็มเจาะเข้าไปนิดเดียวเอง แต่ใจมันทุกไปก่อนแล้วเจ็บไปก่อนนะไอ้ตัวเนี้ยที่เป็นตัวที่เราต้องหยุดมันหยุดมันได้ก็คือต้องยอมยอมหยุดแล้วก็เย็นใช่ไหมเราถึงสอนให้หัดใช้สูตรสามยอมจำไว้ยอมยอมทุกอย่างยอมเป็นยอมตายยอมอะไรทั้งนั้นถ้ายอมแล้วมันก็จะหยุดต่อต้านหยุดพอหยุดต่อต้านมันก็จะเย็น แต่ถ้าไม่ยอมมันก็จะดิ้นจะหาวิธีสู้มันให้ได้หรือหาวิธีหนีให้ได้เชนจะหาวิธีไงทําให้ไม่ต้องฉีดยาให้ได้นี่อาการนี่จะเป็นหนักกว่าเดิมไหมผมเคยปีนค่ะถ้าเราไม่ยอมมันมันยิ่งหนักใช่มันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไงเนั้นต้องยอมยอมหยุดแล้วก็ยังยอมรับความจริงอ่ะไม่ใช่แล้วเป็นความจริงของร่างกายคือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ยอมน่จะสบายใจกว่าไม่ยอมถ้าไม่ยอมแก่ก็ต้องไปสัญญกรรมอยู่เรื่อยๆนะเื่อพยายามพิจารณาความจริงแล้วยอมรับความจริงแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับความจริงการพิจารณาอยู่เรื่อยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายนะเราเป็นผู้ที่มาสายร่างกายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเรายอมแล้วเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ยอมเราจะเดือดร้อนคแค่นี้อยู่ตรงนี้แหละที่จะยอมไดไม่ได้ก็อยู่ที่สติมีกำลังพอที่จะหยุดความไม่ยอมได้หรือเปล่าความไม่ยอมนี่มันพยายามจะลากใจใเราไปพยายามลากใจให้เราหนีจากของพวกนี้ไปถ้าเรามีสติมีกำลังพอเราก็ดึงมันไว้ จะหนีเลยหนีหนีก็หนีไม่ค้นเขาก็ตามมาอยู่ดีพอยอมแล้วมันก็หายเครียดหายทุกยอมไม่ยอมก็แก่เจ็บตายเหมือนกันทุกคนแต่คนยอมนั้นสบายคนไม่ยอมก็จะทุกจะเครียดไปหมดแล้วยังหมดแล้วมีใครย ไ, ไหมหมีก็จะให้พรแล้วนะ เดี๋ยวเสร็จแล้วใครต้องการหนังสือซีดีก็ใช้ม่หยิบเอานะยาทาวาเวาหาปุราปาริปุรเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเตตานางอุ ป, ปกัตปติอิชิตังปฏิตังตุ่มหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุรินตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิตโยวิวัตจันโุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนาสีลิบสะมิจางุทธาปจายิโนยัตารโรธรรมาวาทานติ อายุวนโน ส, สุขงังทาลังมันไม้กลับเลยเไม่อยู่ต่อกลับ อ, อาทิา<อ>ตย์สิแล้วันกจะกรายกลับมาอาทิตย์องวันดีทไปเรื่อยๆนะมันตอนนี้เป็นทางที่มันไกลและมันยาวอ ย, าาอยาา่าเป็นม้าตีนต้นยาเป็นม้าตีนายกัวอะไรเงี้ยจะ คนใหญ่เปมาตีนต้นนะเริ่มต้นีนคุกค้ากันพอวิ่งไปสักพักก็แผ่วแผ่วแผ ว, ว, วอะใจเราเนีต้องสเสมอการปฏิบัติอยาให้มันสมองเสมออย่าให้มันน้อยลงไปให้มันมากขึ้นไปนเรื่อยๆพยายามมากดีก็สู้รู้สึกอยาสู้กับตเลสตัวเองทอย่ไปหาที่ปฏิบัติที่ไหนดี ทําเลยที่ไหนคุณรู้ชายวัดที่ไม่เคยผ่อาจารย์แลวก็ไม่มีผู้หญิงอยู่ด้วย อาจารย์อะไรเป็นพระที่เป็นคนแบบเป็นพระสัท์เก่าที่แปะเรียวค่ะแล้วท่านิท่านอาจารย์แล้วท่านก็จะพาเดินพานั่งอย่างเงี้ยค่ะให้ยาบทศ์ไปให้นอนเวลาที่หไปสั้นๆสวัน่วันอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เดินจงกรมสิบองชั่วโมงอะเ้หนูก็เลยีไม่รู้หนูต่ตนดใถูกเล่าตอนต้นจะสร้างความเพลินขึ้นมาก่อน แล้วค่อย่อยไปหาที่หาปัญญาที่ไหนต่อไปเอาความเที่ยงเอาสติให้ได้ก่อนเลยดีมีคนพาทำได้ก็ดี สิอชั่วโมงเลยเดิน12ชั่วโมงแล้วก็ห้ามนอนตลอด3 4วันที่เราไปอยู่อย่างเงี้ยจ้าค่ะที่เคยมาเล่าให้ฟังด้่ไหมเจ้าน้ี่ก็หนักไปให้เขาไปเดินไล่ไปอยู่แล้วก็น่ากลัวมากเลยแต่ละคนตะโกนไม่ถึงกันเลยได้อันนีะมาตรการสืบุหรี่ักเก่าลค่ะแล้วก็แยกเป็นอยู่ไกลเปนการ แล้วเราเป็นผู้หญิงคนเดียวเหรใช่ค่ะเพราะว่าเขาไยังไม่เีแล้วที่อยู่ของผู้หญิงยกกของพ้หรือเปล่าแยกค่ะอยู่หน้าวัดเลยค่ะ้าลก็คือที่ไม่ลบากนะคะแต่ว่ามีชาวบ้านเข้าออกวัดได้อะไรแบบนี้ค่ะคือเราก็แบบมันไม่ค่อยคุ้นเคยกัะแล้วไมอจะคเคยก็แ้ก็เป็น้ แล้วมีท่าอยู่หลายรูปอะสี่ตเนนนะคะมีเนนด้วยเราจัดแบท่จะประกอบกันย่าพี่อ่นี่นก็แยกที่อยู่กันชัดเจนนี่แล้วก็ไม่ทั้วัดไม่ใครได้หนอยพเน้นว่าจะอยู่แถวศาลาอะไรกันเนี้ยค่ะพอตีสาครึ่งก็มาเจอกันอะไรเงี้ยเราเดินพร้อมกันไมไม่ค่ะคือสวดมนต์พร้อมกันแล้วก็นั่งแล้วก็ถึงเาตั้งให้แยกไปอะไรเงี้ยค่ะ อันเดินเพื่นเจ็สิบสองชั่วโมงเลยเลยห้ามออกนะคโยงกลมห้ามนั่งอะไรอย่างเงี้ยพักได้ยืนได้วันพระนะคะท่านถามว่าจะทําอะไรเป็นพิเศษเราก็ว่าเหมือนเดิมเราเหมือนเดิมท่านก็ถามว่าเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงเราก็เดินแบบตามใจเราค่ะสองชั่วโมงพี่โมงครึ่งข้ามหมอกกันไปเลยถึงสองชั่วโมง บกครับถด้เคยลองเดินได้อย่างเดินแล้วเดินไหล่ยรอล้วสุดสองอยู่อ้าแล้วไหวไหมก็กลับมาแล้วสลบคือท่านที่ทำก็คือท่านให้ยืนสองพยาบอกคือยืนกับเดินสิองชั่วโงเท้าของท่านก็ไม่สนท่านบอกบอกแล้วก็เท้าของเนาะแล้วเป็นไงใจดีขึ้นไหมใจนิ่งขึ้นไหมเดินชเฉยแล้วสอนให้มีสติได้แบบเวลาเดิน สอนให้พูดโทตลอดเลยนะคะจะพูดโททีจะพูดโทหาอย่าให้ใจคิดปรุงแต่งดีมันต้องใช้มาตรการอดทนมันถึงจะตายใช่เพราะว่าอยู่เป็นกิเลสเยอันีเดี๋ยวมาจอยนู่นเดี๋ยวจะมานี่กับจ่ารัตน์นี่กัน่บคนก็จะถามว่าทำไมจะไม่อยู่กับครูบาอาจารย์ที่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนยังสับสนอยู่ไม่รู้ตัดสินใจถูกไม่ถูกอะไรค่ะก็แล้วแต่มันใครที่สอนเราได้ก็เป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหม บางทีไปอยู่ว่าคูบาจารย์ท่านไม่มีเวลามาสอนเราก็ได้เพคนเยอะลูกสิษย์เยอะอถ้ามีคนสอนให้เราเดินมาเข้าให้เราเดินได้ก็ทำไปก่อนสร้าง <c oughs> สร้างสติสร้างความเพียรขึ้นมาก่อน <c oughs> แล้วปัญญาก็าออ่านหนังสือทางเทศทางธรรมไปก็ได้ลองดู <c oughs> ช่วงแรกๆลองทำนี้ไปก่อน ทำให้จิตมีสติทําให้จิตมันสงบกันแต่ท่านก็ไม่ได้ให้อยู่ประจํานะคะใ ห, ให้อยู่แบบชั่วคราวสองเดือนสามเดือนอะไรนะคะต้องทำํำจะก็ทำมม่อยากจะไปไหนอะถึงจะดีถ้ายังมีความอยากไปนู่นมานี่ก็ยังไม่ดีการปฏิบัติ น, นี้ครับก็ตัดความอยากถ้าจะไปต้องมีเหตุผลไปด้วยเหตุผลไม่ได้ไปด้วยความอยากไปนึกมาก็ไม่ได้มาด้วยความอยากมา คือทำอะไรอย่าให้มันทำด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลความจมเป็นอะไรแบี้เวลาปฏิบัติใจขอให้ระวังตัวนี้ไว้ก็แล้กันตัวความอยากอยากไปก็ไม่ไปค่ะถ้าอยากไปหมดแล้วหนูทไงคะถ้ามันอยากจะไปก็อยากพุ่ไปถ้าจะดัดความอยาก ถ้ามันอยากจะทํานั้นก็อยากทําอย่างนี้เวลาอยากจะนั่งสมาธิก็อยากนั่งอ๋อไอ้เนี่ยโคตรอยากดีนวลชัยเนี่ยอยากดีก็ทำไปเนี่ยอยากไม่ดีอย่าไปทำเออถ้าอยากนั่งสมาธิอยากเดินโยมโกมนี้ไม่เป็นไรทํำได้แต่เวลาทําอย่าไปอยากให้มันได้ผลเพราะเวลาไม่ได้ผลนั่นมันจะท้อแท้เบื่อหน่าย ขอให้อยากทําไปเรื่อยๆแล้วผลยังจะเกิดไม่เกิดไม่เป็นไรอย่าไปอยากได้ผลอยากได้ผลแล้วพอไม่ได้ผลไม่มันจะมันท้อมันจะไม่มีกําลังใจถอาจารย์น่าจะมีที่อยู่อะยรอนนี้ก็หาไปที่ไหนมีก็ไปก่อน <c oughs> ไม่มีอะไรแน่นอนเนี่เพราะมัน <c oughs> <c oughs> ออกมาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนดีอะไรอย่ังเงีก็ไปหาก่อนเนีลยหาที่ไปก่อนแล้วก็ไปอย่าจู้จี้จุกจิกนะที่ไหนก็ได้สันโดดมีตามมีตามเกิดไม่ใช่มันจะต้องสัปปายะทุกอย่างมันเอาเอาอย่างสองอย่างก็พออย่างอื่นก็พอทนได้ก็ทนไปมันจะสัปปายะทุกอย่างไม่ได้หรอก อย่างที่เราไปอยู่บ้านตากนั้นก็ได้สัปปายะสองอย่างก็พอแล้วได้บุคคลสัปปายะกับได้สถานที่สัปปายะก็พอแล้วบุคคลคือหลวงตพาพระในเนี้ท่านปฏิบัติสถานที่ก็สงบสนัดได้สองอย่างนี้พอแล้วอากาศร้อนโหดโหดหนาวโหดโหดก็ทนเอาได้อาหารก็มีแต่ตุ๊กแกมีแต่อะไรก็เอามันมีอะไรกินก็กินไปมันจะให้มันครบทั้งสี่อย่างมันยากสี่ห้าอย่าง เอาสองอย่างเนี่ยสําคัญที่สุดคือบุคคลกับสถานที่สถานที่มันสงบเอื้อต่อการภาวนาครูบาจะอ่าบุคคลที่อยู่ด้วยกันเอื้อต่อการภาวนาไม่มีการก่อสร้างไม่มีการทํากิจกรรมนอกเรื่องของการภาวน า, าได้สองที่สองอย่างนี้พอแล้วส่วนอาหารจะถูกปากถูกไมมพอกินได้พออยู่ได้ก็โอเคแล้ะอากาศจะหนาวบ้างร้อนบากก็พอสู้มันได้ ไม่ใช่ต้องราครบสับปปายะทุกอย่า ง, างหาไปจนมันตายก็ไม่เจอถ้าดีถ้าเราได้ที่สงบแล้วมีเคลื่นอนตระยานมิตรทานเราปฏิบตัติที่ก็่นถือว่าใช้ได้แต่ถ้าถ้าไม่สอนทางปัญญาก็ตอบไปก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์หรือเดี๋ยวนี้อาศัยหนังสือของครูบาอาจารย์ต่างๆอ่านก็ได้อ่านหนังสือไปอ่านเองก็ได้แต่ถ้าไม่สอนเรื่องปัญญาเราก็อ่านไปช่วงที่เราไม่ปฏิบัติเราก็ แล้วก็อ่านหนังสือไปเราจะได้รู้ว่าเราต้องทําอะไรบ้างเพราะมันนอกจากการเดินโยมกลมการจะทําสมาธิมันยังต้องไปทางปัญญาและปัญญามันมันซับซ้อนมันกว้างขวางกว่าการนั่งสมาธิการทําใจให้สงบการพิจารณาที่มันยากอาจจะเห็นอนิจจัง <c oughs> เห็นทุกขังอนัตตานี่มันยาก <c oughs> ใต้องเอาสติก่อนเอาสติเอาสมาธิเอาความเพียรก่อนเนี่ยท่านอยากให้ตื่นอยู่เสมอคือขณะเดินกลับมา2ชั่วโมงท่านยังไม่ให้นอนเลยค่ะเดินมาปุ๋ยเปิความเพียรด้ไงเปิดความเพียรไว้พอมีความเพียรแล้วต่อไปความเพียรตัวเนี้สําคัญมันจะดันเป็นผู้ดันให้เราเป็นปฏิบัติถ้าไม่มีความเพียรนะมันมันก็เดี๋ยวก็หมดแรงเป็นม้าตีนต้น ตอนนี้ศรัทธาแรงก็ปฏิบัติเข้มข้นพอเราไปพอผลมันไม่ค่อยได้แล้วมันมันนานเข้านานเข้ามันก็อ่อนลงอ่อนลงสรัทธาเดี๋ยวมันก็หมดแรงกลายเป็นมา้มาตีนต้นไปแต่ถ้ามีความเพียรนี่มันจะสม่ำเสมอมัเนินไปตั้งแต่ต้นมาเป็นทั้งม้าตีนต้นม้าตีนปลายเลยดีแล้วลถ้าเรินโยกลมได้สิบสองชั่วโมงนี่ แล้วให้นั่งมั่งไหมนั่งน้ำก็นั่งนานๆนั่งท่านไม่ได้สองแถวทุกอ่างเหมือนเมื่อคืนนั่งสวดมนต์เสร็จก็ให้นั่งหนึ่งเที่ยงคืนแต่ว่าเราก็พลิกกันนะคะยังนั่งทิ้งบ้นัลังทุกอย่างนะคะแต่ว่าห้าหลังถึงพื้นนั่นแหละก็ดังอย่างงั้นดีเนี่ยมีไมีการอะการยานนบิดอย่างเงี้ยดีเอางี้ไปก่อนเนี่ยจุดเริ่มต้นฝึกสติฝึกความเพียรไปก่อน ขอให้เอาทุกเวลานาทีมาให้กับการปฏิบัติเนี่ยถือว่าไม่ไม่ไม่ผิดทางแนะเนี่ยขอให้ขอให้ใช้เวลาทุกเวลานาทีของเราเนี่ยให้กับการปฏิบัติถือว่าได้กําไรแล้วแหละถือว่าได้ผลแล้วการมีความเพียรนี่ก็ถือว่าเป็นผลอย่างหนึ่งนะอ่าวิริยะแล้วี่ยนบอกว่านอกจากสติอะไรนะห้า มีอธิษฐานมีสัจจะมีคันติมีวิริยะเนี่ยสี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่จะดันให้เราทำอะไรต่างๆได้สำเร็จรุดร่วงได้ดีถ้าไม่มีสีตัวนี้เดี๋ยวเจออุปสรรคหน่อยก็ถอยเบื่อหน่อยก็ไม่ทำนะแต่ถ้ามีวิริยะเนี่เบื่อไม่เบือ่อถึงเวลาก็ทามันถึงเวลาก็ทำมั น, ม, นมีขันติมันจะยากไงก็ทนไปก็มันทำาไป นีอธิษฐานมีสัจจะมีความตั้งใจมีความจริงใจไม่ล้มเลิกตั้งใจจะทำแล้วต้องทำให้สำเร็จถ้ายังไม่สำเร็จก็ไม่หยุดทานะอัอนุโมทนาหใหยจิตใจแน่แน่ต่อการปฏิบัตินั้นแหะนะเดี๋ยวผลตามมาเองผลมันเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากความเพียร